พรธรรมเทศนาแผ่นที่56ลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2556หน้าวัดภูคันจ้องมีชื่อเรื่องว่าไม่มีศีลก็ไม่มีกิน เออวันนี้มือนี้เนอะพี่น้องลูกหลานคณะชาติญาติโยมเออมื่อกี้นี่ท่ายกพฝนอราธานาเทศหลวงพอ่ออินทวายวัดปา่าหน้าค่ำหน่อยจะเป็นองค์แสดงรรมกําลังหนึ่งคือนางถ้ำมาตีแหละที่ที่บอกยังให้พี่น้องลูกหลานคณทชาญาติโยมได้ฟังมือนี้เป็นมือมองค้นมหามงค้นเป็นงานสมโพธเจดีหลวงปูสอน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 ถึงจะมากหรือน้อยอันนั้นก็ตามกําลังรังรท่าว่ามีการบังคับกันแต่ว่าถึงอย่างใดคืนอนาที่พวกเฮาจะต้องสรั่งบุญสร้างกุศลกันหาว่าพวกเฮาบอสั่งกุศลกับบอเกิดได้ในหลักธรรมขั้มสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมขั้มสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าปุญญาณิปรลโล ก, กัตสมิงปฏิฐาโหนติปานิหนัง บุญยอมเป็นที่พึ่งของทรัพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหนาคานว่าโลกนี้คือกันคานว่าภูโบได้สั่งคุณงามความดีคุณงามความดีจะคุมข้องเฮาใดจังใดมิแต่ทำแต่ความซัวไอ้การสั่นมุนโรไปหาไอ้ป่นหาจี้หาลักหาคดหาโกงเขาไอ้ในพบนี่ชาตินี้ไอ้ความบ่ดีก็จะต้องตกมาหาเดี๋ยวเขาก็จับเขาคุกเขาตาล่าง คานาวาเฮ้าประกอบแต่คุณงามความดีไปสถานที่ใดเฮามีแต่ไหมีแต่ทรงคออนุเคราอพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายมีแต่ส่งว่องสาคขาในหยาดไปใส่มีแต่ความอบอุ่นล่ะทีนี้เพื่อใดเพาะการสร้างบุญเพราะนั่นแรงลักธรำข้าสอนของพระพุทธเจ้าพญาวาให้มีธานเนอให้มีศีลเนอให้มีภาวนาเนอนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือนี่ยแหละผัวเฮ้ามา รวมกันแสดงออกซึ่งนำใจเปื่อมาทํำท่านอย่างพวกเข้าเห็นนี่แหละเะมื่อนี่เป็นงานของฉลองสมโพธิหลวงปู่สอนหลวงปู่สอนเนี่เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วว่าเป็นมูของหลวงปู่เพียนเดชพ่อจําพ่อพิษน ะ, เ, ะเป็นมูของหลวงปู่เพียนวิรโยวัดป่าน้องกอง มาแล้วพนคยบวชน้ากันแต่สมัยเป็นหนุ่มเพนว่าต่อมาเพนละลายซึกขาหลวงปู่สอนนี่แต่วันนี้ใจดีเขากันได้กับหลวงปู่เพียนบายนีย้ต่อมาเพ่นก็เลยมีหลกมีเตา่าเพนก็เลยมาบวชป่านกลับมาบวชแลว้วเป็นผู้ตั้งใจดีได้แต่หูบกค่อยดีหรอกหลวงปู่สอนนี่หูบกค่อยดีแต่เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจดีมากใจดีตั้งอกตั้งใจพาอวันหน้าเป็นที่ย่อมรับของหมู่ของเพื่อน ของสหถรำอีกทั้งหลายนี่แหละลกกูกาลวงปูดวงก็องคหนึ่งหลวงปูดวงเป็นคนน้าโสมของเฮ้าเนะี่ยเป็นญาติของกับพู้ใหญ่เก่งผู้จักตู่เก่งตู่เก่งคงจุงหูจักแต่หลวงพ่อก็เลยถามว่าเป็นญาติของพอตู่แล้วก็ตู่ดวงนี่ก็โอ้เป็นผู้ตั้งใจดีขึ้นกันนี่แหละเจดีย์อยู่ข้างล่างอะแต่อันี้ต่อมาเนี่ยขนาดหลวงปูสอนก็เลยมรณภาพอีกพระ ทรงองค์ข้าเจ้าน้องนุ่งทั้งหลายก็เห็นว่าเออเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลวงปู่สอนนี่ก็น่าจะมีเจดีย์จอมย่อมขึ้นมาเพื่อเป็นทีลาลึกถึง เ, ออเพื่อเป็นทีกราบไหวของพวกน้องนองลูกๆูกล้านล้านต่อไปพา้าอีภาคนานี่ยจึงได้สร้างเจดีย์ขึ้นมาแบบจอมย่อมก่อนดูดูแล้กกระทัดรัดดีคือกัน เ, ออเพราะนั้นมือนี่ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคล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 เออเจดีไงใหญ่ฮะนี่แะอันนี้ละ่นนละคือเป็นการสรางบุญสรางกุศลสำหรับบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เพิินปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกเข้าวไดสร้างเจดียเป็นทีล้เลึกบูชาพระคุณของเพินนี่แหละให้ลูกหลานเขามากราบมาไหวย้ยนช่วงนว่างๆนะแล้วก็พร้อมกันนี่แหละ การแสดงออกซึ่งนำใจคือท่านส่วนศีลก็จะให้ขาดตกปกพ่องเนอคณะ ท, ะท่าเาติยโ ย, ย, ยมโลูกลานคนเทาเดี๋ยขาว่าบ่มีศีลบ่มีธรรมแล้วก็อยู่น้ากันยากลําบากได้เรา แ, แว่งแค่งใจกันพ เ, เพราะเหตุใดเพราะบ่มีโกรธบ่มีระเบียบการอยู่น้ากันการอยู่น้ากันบ่มีกรธบ่มีระเบียบบ่มีศีลคุ้มคล้องบ่มีศีลปกป้อง โลกทั้งโลกก็เดือดร้อนบุญไหว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลหานี่แหละศีลหานี่เป็นศีลคุ้มคล้องโลกมาตั้งแต่ดึกดําบันมาตั้งแต่ในขั้งไหนกรพระพุทธเจ้าอุบัติขืนในโลกที่ต่างหากถ้าหากว่าพวกเข้าได้อ่านชาดกต่างๆเอ่ยจะเป็น เ, เวทจันทร์ก็ดีนี่มิราชก็ดีเตมียะก็ดีมโหสถก็ดีพวกเข้าจะเห็น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 คานว่าพวกรัามีศีลหาประจําหรือว่าเขารบในศีลหาของพระพุทธเจ้าแล้วพวกรัาจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเนอ้อการอยู่น้ากันคานว่าพวกรัาขาดศีลหาและมีแต่ความเรา แ, แวงแค่งใจกันจักไฟศีขาไฟแล้วก็ไปน้ากัน อ, อ, อยู่น้ากันกับจักแมันไฟศีรษะขมุ่ยรองเท่ากันอีกต่างหากออกจากนี่ไปแล้วนะออพอว่าพอมีบ่มีศีลเด ต้องเระแวงแข่งใจกันข้อที่สามกาเมฆขึ้นกันสามีภรรยาลูกหลานของไปว่าไปโอกไปคุยก็เราแวงแข่งใจกันแล้วเอมันจะไปทางใด น, นี่แหละอันนี้ก็คือความบวไกใจกันเพราะบ่มีศีลถ้ามีศีลแล้วทิ่เราบ่บ่เป็นจังสัตนอันนี้คือศีลข้อที่สามข้อที่สี่มุสาแหยาไปขี่ตัวโกหกหลอกล่วงผู้อื่นเขา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 เมื่อขาดเจตีและทำความสวัวในทุกอย่างเพื่นว่าเพราะนั้นให้จำรวมให้ระวังเนอ้อพี่น้องลูกหลานทุกู์ถูกคนขั้นว่าพวกรเข้าอยากจะเป็นคนดีอยากจะมีคนยกย่อง ok ok นับถือเลื่มใ ส, ส่ซัดท่าไปยุนรัฐานที่ใดจีบม่มีโทษมีไพ่ให้จำรวมให้ระวังเนอ้อของเรานี่เพราะว่าเดืองโซลาเนี่ยมันเป็นของบอดีเป็นของให้โทษมาตั้งแต่ดึกตําำบันเพื่นว่าพระพุทธเจ้าเพื่นว่า เออเพื่นก็เลยปาลบเรื่องหลานของอานาถาบินดีกาเศรษฐีหลานอานาถ า, า, า, าบินดิกาเศรษฐีนี่คืออานาถาบินดีกาเนี่เป็นคนตระกูลรวยได้เออพอแม่เพื่นก็รวยก็แล้วมาแบ่งมรดกกันพอมาแบ่งมรดกกันเนี่ยผีไส้ก็ได้ส่วนหนึ่งอานาถาบินดีกาได้ส่วนหนึ่งคนละสี่สิบคนละ80ดสบโกรธแดสิบโกรธพอแบ่งกันแล้วบานนี้ กระตางค้นกระตังออกไปสร้างตระกูลของไผ่คลองมั่นพ่อพี่ไส้เพลินไปเนี่ยไปไปสร้างตระกูลพ่อสร้างแล้วบาดนี่หลูกไส้บอดีบาดนี่เออหลูกไส้บอดีออกไปสูกไส้มิตเทียวมิตเลนเออบลับทอดเป็นทายาทของพอ่อนี่แหละในหลักถ้มคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่เพลินว่าเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจุระของท่าน ดำรองวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์หมอลอดเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้มีเป็นนาทีของลูกสาวลูกชายเนอพี่น้องลูกหลานให้ฟังเอาไว้นะอันนี้ลูกของเอพี่ชายของอณาถามิติกเศรษฐีนี่บอ่อเป็นยังสั่นเสแล้วบาดเนี่อบ่อเลี้ยงพอเลี้ยงแม่แล้วก็บอ่อทาตนให้สมควร ควนรับสับมอระดกพ่อพ่อแม่แกเ่าชาล่ามาทนันละบาดเนี่ยก็เลยแบง่งแบ่งสมบัติให้ลูกโลกอันนี้กันนะ่ะต่างคนก็นต่างเอาเงินไปถลุงจะแล้วบาดเนี่ยไปเล่นการพาน่งไปเล่นการพานันไปกินเหล่าเมายาคบหมูคบเพ่อนเอาไปมาตระกูลเลยเจ่งพ่อแจ้งบาดเนีก็เลย เขามาหาอนาถาบิดีกาเศรษฐีผูเป็นผูเป็นอาวันไปว่าไอ้อาอาจารย์เนี่ยผมมีเงินใส่ผมของเงินใส่น้ําอาแน้วอาจารย์ห้อยสูมันเจีงประนันตีครับอาจารยเออเอาเอ า, เอาหา้พ่อเอาหาไปแล้วมาขอเองเออพ่อมันมันมือเติบเลยเคลือที่สองนี่เอาอีกอนาถาบิดีอามันทําไมมาขอทีหนักละ่ะเอามันเป็นยังไงล่ะผมมีเงินครับ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 ผมก็เลยตั้งตัวบรายเมิดรับเมิดตัวครับอานาถาเป็นดีกะเศรษฐีก็เลยบอกเอ้าเอ า, เอาหายค่างนี้เป็นค่างชุดท่ายนะไปเอาหายหลายพอสมควรไปตั้งตัวนะขั้นตั้งตัวบรายยาม่าอีกนะขันม่าอีกบานนี่สีใสคือใสข่าลากออกแท้แท้เดชพัฒน์เน่กำลาบไวโอนไปบานนี่พอหาไปแล้วมันกระจายอย่างไรมันบ่มีมันบลา ก็เขาา่าไม่อหลิอีกวนออกไปพอเขาาอนน่าไม้นะถามพอดีเอาอิริแล้วเนาไปจริงจังเด้ไปเอาคือค่าใจว่าท่านสมัยก่อนคือค่าคือกันใหม่ใหม่ไพ่เฮ้าเดียเดี่มันบอละคือกันกับอ้อย่างใส่ล็อกข้อแล้วก็ลากออกไปแล้วเนาะไปเออลากคนออกไปออกจากบ้องการออกไปจากบ้านเฮ้าเดียวนี้ว่าจะเนี่ยเฮ้าพอจะเห็นนาลูกนาล้านแบบนี้ว่าจะเนี่ยมั่นเฮ็ดจังไรโอดจูดูได พอแม่ลำลุวยก็รอคนเดียวเอาป้ายทลุงกินเหล่ามดอย่งเฮ็ดจึงซีใดจังใดไให้ออกไปลูกน้องบริวานกันลากข้อออกไปพอออกไปแล้วบาดเนอณาธรรมบดีก็บบ่สบายใจขึ้นกันนะเพิลนมันเฮ็ดเกินไปหรือเปล่าเนาะเฮ่าเหนียวเสน่ปนว่า น, นาาเพิลนก็เลยไปกลาวพระพุทธเจ้าตอนบ่ายอณาธารมบดีกลาวเพราะเป็นโยมอุปถาคพระพุทธเจ้าเลย เขไปกราวพระพุทธเจ้าข่าวข่าพระองค์ได้ใส่คือข่าหลานชายลากออกจากบ้านเมืองอิสสันที่เหตุเกินไปหรือเปล่ากับบอลูแล้วพระเจ้าข่าว่ะสันนี่แต่มันเลืออดจริงๆร่ะสันนี่เป็นวานอ่ะเอมันมาขอต่างหลายเถื่อก็บอกแล้วห้ามแล้วอ่ะสันนี่มันก็ยังนิสัยก็ยังคือเก่าอยู่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าโอ้อนาถาเป็นดีกะเสษถีเด้ออ่าสันนี่อันขนซัวเนี่ย เลี้ยงจังไนมันไก่ใหญ่บ่เป็ดว่สาสันเนีนี่แหละวิญญาณอันนี้แหละเราตถาคตเคยเลี้ยงมาแล้วแบบนี้ว่สาสันปนว่าแต่ถาคตนี่คือพระพุทธเจ้านี่ยเคยพบเคยเจอมาแล้วเนี่ยวิญญาณดวงนี้แหละว่สาสันเนี่ย อ, อ, อนาถามมิติกาเศรษฐีก็เลยถามกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าข่าวนพระพุทธองค์บอกว่าสมัยหนึ่งเาเป็น เ, เศษฐีอยู่กรุงพระราณาสีว่สาสันนว่า เราเป็นเศรษฐีใหญ่อยู่ในกรุงพาราณสีในกรุงพาราณสีนั่นเฮ้าขอตั้งโรงท่านเพราะเขาเป็นเศรษฐีเขาล่ำลํำรวยเต็มทีเขาจิตใจเขาเป็นกุศลในจิตในใจเขาก็เลยตั้งโลงท่านสีมุมเมืองสีประตูเมืองคนไปเออสำหรับประตูละแสนให้ประตูละแสนในเวลาคนเของมากเดินทางมากเจ็บไข้ได้ป่วยเลย เดินทางมากเมีอาหารการบนญพวกตรกรันมันบ่ามีล้านค้าคงจะบ่าคือจังคุ ม, มือนี้มั่งเขาตั้งเป็นลรงทานเขาก็เลี่ยงคนคนเดินทางไกลมือไอ้มากก็เลี่ยงสีม่มุมเมืองแล้วก็โย่ในกลางเมืองอีกล่องท่านหนึ่งแล้วก็นในประตูบ้านของเจ้าของอีกล่องท่านหนึ่งรวมแล้วเป็นหกล่งท่านจ่ายเงินมือละหกแสนกรหาปณะไป เศรษฐีผู้นี้คนไปจิตใจของมันเป็นกุศลตลอดเนี่ยมือเศา้าไปเยี่ยมลงท่านนั่นไปเยี่ยมลงท่านนี้จิตใจมันเอิบอี๊มด้วยศีลด้วยท่านค น, นไปอพอจากนั้นต่อมาพ่กรีลูกชายอีกผู้หนึ่งมานี่ลูกชายผู้นึงแต่ลูกชายผู้นี้ก็เนั่แหละหน้าตาดีแต่ก็พอก็พยายามสอนลูกคนไปให้ให้เดินตามพอเออดูลูกก็ให้เดินตามพอ่อนะเหตแบบพอนี่เ ตะกูลของเฮ้าก็เงิ่นของเฮ้ากับมีพ่ออยู่เออให้ทําบุญทําทานนะลูกนะแต่ลูกชายบ่อแล้วต้นหนาพ่อก็ดีอยู่อแต่ว่าต่อรับหลังใบใบบ่อยบ่อยใบใบวนไปเอบ่อตามท่ำขํามพอสั่งแหละพ่อต่อมาบาดพอก็เลยตายเพราพอตายจะนี่ลูกผู้นี้บ่อเห็ดตามพอสั่งเสร็แล้วบาด พอนี่โอ้ยโง่ไปหาสรงขอผู้อื่นได้ยังนี่จะเอาเงินคนไปให้เลี้ยงผู้อื่นเฮ้าเนี่โอ้ยบอ่อแล้วจะกินมันมัดน่ะเอาไปมา ก, ก็ได้สมัครพักผวกหมูพวกเพื่อนเอาเหลามา ก, กินจะแล้วบาทเออพอเอาเหลามา ก, กินแลยก็เอาดนตีม้าเล่นสนกสนานคืนแข่งม้วนเชนญจะแล้วบาทโอ้ยคนก็ชอบน่ยคนก็ล้างไหลมากเออว่าเศรษฐีใจใหญ่กันไป บอกคือพอพอในะีขี่ทีมีจฉาให้ท่านอย่างเดียวแต่พอลูกชายนี่บอเหตุคือพ อ, อไปออพวกนักเลงนักเลงสุราทาั้งหลายข้อสุราทาั้งหลายก็อชอบใจกับ b ลูกเศรษฐีผู้นิยอไปต่อไปกีดไปกีดมางก็มีจัไงไรผ ม, ม, มว่าท้ามากค่าขายแมนบ่ลล่ะเอาไปมากก็เจ๋งใช่แล้วบาทพ่อเจ๋งแต่ถ้าผู้พอนี่พอตายแล้วไปขึ้นอยู่สวรรค์เด้ ไปเป็นพระอินอยุ่ทั้งฟ้าพอนะอยุ่สันดาวดึงพอนะ เ, ออเศรษฐีผู้ทีมีน้ำใจนะ เ, เ น, นี่ยพออัอนี้ทรงท่านคนนีเ้เคนกว่างขวางเนะี่ยผู้ทีมีกว่างขวางเป็นผู้ทีมีน้ำใจอ น, นิีงทรท่านเนะี่ยนั่นแหละไปอยู่สวรรค์ชันดาวดึงเป็นพระอินนะแต่ลูกชายในบาทเนี่ย เ, เล่นไปเล่นา่ากินไปกินมากเมด่เจ่งบาทเนี่ยพ่อแจ่งมากขายให้ขายหน้าขายเฮิอนขายสัน้นขายมัดกิจการ เอาไปมากเลวเป็นคนขอท่านบาดไปค้นขอท่านผู้พออยู่บนสวรรค์เหลียวเหลือบลงมาเบิงทั้งไตโอ้ยลูกของขาดเป็นยังไดเนาะจะไงเออบางทีรักษาแนวท่างของพอใดบ้นนอจันพ่อมาเบิงที่ไหนได้มันเจ่งเพรแห้งแหละจนแหละตายเหตุยังไงฮะ น, นี่ผู้พอก็ยังยังนับถือว่าเป็นหัวอกของของพออยู่ดีลูกถึงจะชัวร์เป็นได้ พอก็ยังนับถือว่าเป็นเป็นลูกของพอโยนออกไปบ้านนีอก็เลยโลกมาโลกมาก็มาหาลูกนิรเมิตรตัวเองเหมือนกับเป็นเป็นเศรษฐีสมัย ก, กอ่อนนั่นแหละคนเาไปลูกพ่อผู้พออ่อลูกชายในก็จําได้ว่าเป็นพ่อของเจ้าของคนเาไปเพราะพระอินทร์เนนินรเมตเป็นพ่อของ เ, ออเศรษฐีตกทุกข์นั่นเองพ่อมากเลยโอ้เป็นไงลูก โลกยอดทีรักพัน่าเด้ะพันเอื่อนลูกพันเอื่อยอดทีรักของพอ่อสินเดะเป็นยังไงเออสันเนยโอ้ยพอผมตกถูกตกจนแล้วสันเนยเป็นยังไงเลยยังตกจนว่าสันเนยโอ้ยผมทําตัวบอดีเอผมบริเฮตยังพอบอกแล้วแต่ผมก็เลยกินเหล่าเมายาติดมูติดเพื่อนโอ้ลูกเอ้ต่อไปนี่ลูกสิสำลอมระว่างได้บ่ล่ะได้ครับผมจิกลับตัวกับตั ว, ตวไมค์่นวา ผมสิลวดวยคือเก่าเสียนคือเอาผููพอก็เลยให้หมอหนุวยหนึ่งมาหนิหมอดินนวลเอาไปมอบหมอดินให้หนุวยหนึ่งเอาลูกเอ้ยขนาดว่าอยากจะได้เงินเท่าไรก็ให้อตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ล่วงเงินเขาไปในหมอนี่เด้อเราก็จะได้เท่าไรแล้วก็คั่วมจะเลิศลุงเรื่องความรววยก็จะเกิดขึ้นมาอีกขับลูกอีกครับผม บาไฮเลพระ อ, อินทร์ก็เลยเป็นคนดีทะลุเด้อไอสางบุญสางกุศลทะลุเนอะสร้างเสียเย็บดียวพระ อ, อินทร์เนี่ยพราะมันก็เลยหายปั๊บขึ้นไปสู่สวรรค์คือเก่าบาไฮนี่ไอ้นุ่มเลยก็ได้หมอแล้วก็ล่วงเมื่อเข้าไปแล้วก็สื่อสิ่งสื่อของสื่อของใส่มาไม่ไม่มันก็ดีแล้วเมนบอสละ เ, เพราะมันเคยทุกข์เคยจนมาแล้วเด้ ดีป่านยังเราไปซื้อคิงนิ่งเราไปพ่อต่อมาต่อมาวันนี่รุ้ยขึ้นลุ้ยขึ้นรุ้ยขึ้นเนี่ยวันนี้อยากเอาอย่ำไรก็ได้เพราะมันเงินอยู่ในหม้อเห็นเด้ล่วงมือเขาบดได้ก็อยู่ในหม้อบาฮ์ต่อมาเกิดพวกขี้เราดุนไฟเก่ามันกิดเขาม้าเอกบาดนี่ลูกพี่บอ่อเลี้ยงในบอ่อเอาไปมาลูกพี่นี่ก็เห็นกิเลสเก่าขืนมาเอกคนออกไปเอาไปมากเกลี่ยงมูอ แต่ต่อมาเ ก, ก็ดเลี้ยงมูกเกิดเลี้ยงจบ ข, ของน้าพร้อมนะเลี้ยงไปเลี้ยงมากกเขาอีรอบเกาอีคือเกาแล้วบาบอัดเออเขาอีรอบเกาบาได้พอกินเหล้าเข้าไปแล้วมันขึ้นสนุกจช่ไดมเพื่อนยนห ม, นนมอขึ้นฟ้าใช่แล้วมันนี้ยยนแล้วก็ฮับโยนแล้วก็ฮับโยนแล้วก็ฮับเพื่อนไปบาหอะไรฮับอะไรทั้งกี้เหล้ามันตาล่ายได้มันว่าระบาดเลยเออมันตาล่ายยนขึ้นไปกับพัดลงมากกัต๊กปุ๊ลงมา ก, ก้อนดินใช่ไหะ มอแตกบาดนี่โอยนางจุกปุกเลยบาดนี่เออพอได้สดก็เลยมองมีเงินสีจกบาดนี่พราะมันหมอแตกเลยเดี๋ยวเอาไปมากก็เลยจนคือเกา่าพอท่านตายอีกคนนึงจนรอบสองพระอินอยู่ทั้งฟ้าเพิ่นโอ้ลูก ơi. เอ้ยวินงานงโงน่นี่เลี่ยงจากไหนมันก็บอกจะเลิศเป็นวะวินงานงโงน่นี่เลี่ยงจากไหนมันกรบอร บ่อขืนบ่อเกินเอ่สีเลี่ยงสีซุบสีธนุธนอมปันได้สีสร้างสีสอนปันได้มันกับบ่อขืนบ่อเกินเพราะวิญญาณมันโง่คุณว่านี่แหละขอให้ฟังเอาไว้เนี่ยพวกเข้าท่านทางหลายเนี่ยแครนว่าพวกเข้าคือทุกขู่ตัวข้อนที่นางฟังอย่างนี้แหละเออบอวาเอ่อบอวาพระบอวาเน่นบอวาคูบาอาจารย์บอวาขนระดับใดแครนว่าอยู่บอคิดบออ่านเป็นวิญญาณโง่ได้ผลว่า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 ขอฝากไว้คับพี่นอ้องคณะทัตธาญาตโยมลูกหลานทุกขู่ทุกคนอนะ้านี่แหละเรื่องออชาดกเพิ่นสอนไว้เพื่อเป็นตัวอย่างสําหรับพวกเข้าท่านทั้งหลายสีท่านสิ่งใดก็ตามที่มั่นบดีอย่าเฮตยาผูดยาท่ำท่ำแต่สิ่งที่มั่นดีเป็นสินเป็นร่ำพวกเขามีแต่ความจเจริญรุ่งเรื่องไปในสถานที่ใดก็พร้อมกันนะ่าลงพอข อ, อยําเตือนพวกเข้าท่านทั้งหลายได้พบ ได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่คูบาอาจารย์สายหลวงปูหมันของพวกเขาเนีอย่างที่หลวงพ่อเขามาถามเมื่อกี้นี่หลวงพ่อว่าเขาถามว่าหลวงพ่ออินทิเคตจังใดสิเขาประช้าค่มอาเซียนนี่เท่าสิเขาจังไดจริงจะมองบอ่เสียเปียบเขาเออเอาจังไดจริงจะเจริญรุ่งเรืองในหลักธรรมขั้มสอนของพระพุทธเจ้านี่เออ มันมีแนวทางที่จะผ้าดําเนิ่นไปในทางที่ถูกต้องดีงามมีรักอย่างแน่หลวงพอก็บอกว่าเออทำรับหลวงพอนี่อยู่ในป่าในหลงพงไผ่เป็นพระมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเป็นหลวงปูหลวงตาปันนี่แหะหลวงพอมองว่เห็นอย่างอื่นนอกจากศีลหานี่หลวงพอวานะศีลหาของพระพุทธศาสนาศีลหาของพระพุทธเจ้าเนี่ละ่ะถ้าว่าทุกคนมีศีลหาแหละมีแต่ความเจริญ อ, อย่างเดียวนั่นนะ บอเบียดเบียนกันบอกขโมยกันเคารบสิทธิสามีภรรยากันยากี่ตัวกันยาต้มตุนหลอกล่วงกันยา ก, กินเหล่าให้ขาดสติอันนี้แหละคือศีลหาจากนั้นคารวัตธรรมเนอคารวัธรรมคือให้มีสัจจะต่อกันการอยู่น้ากันให้มีสัจจะธรรมะให้รู้จักคมจิตของชมใจเจ้าของขันติให้มีความอดทนจาขะให้มีการเสียสละต่อพีต่อหนองต่อเพื่อนต่อฟูง ต่อวองสาขานายาดในแหละมีแต่ความเจริญแล้วก็ให้เคารพทิศทั้งหกเนอทิศทั้งหนั่นคือยังพวกเข้าอย่างนี้แต่ทิศทั้งสีเออแทิศทั้ง8ดทิศทั้ง4ีคือยังทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกทิศทั้งหไอ้ทิศทั้ง8ดคือยังอาคเน่บูรพ่าผ้ายับเนี่ยอนทิศทั้ง8ทิศทิศทั้ง6กนี่พวกเข้าบวกเคยแต่ยิ่งบันทีหลวงพ่อจีวาทิศทั้ง6กให้ฟังเนอในหลักธรรมค้ามสอนของพระพุทธเจ้าพนว่า ผู้ใดก็ตามให้นอบนอบ้นอมคารวะกราบไหว้แอบย่อมรับแอบยินดีกราบไหว่ต่อทิศทั้งหกมิจะความเจริญ ด, ด้วยโซนโซนเดียวมิจะความเจริญโดยส่วนเดียวทิศทั้งหคื อ, อ้ยัง้งทิศบั้งนาขิ้นบั้งนาก็คื อ, คอข้าเกิดมาพ่อข้าเกิดมาแล้วเขาเริ่มตาเห็นพอเห็นแม่กอนมูได้แม่นบลา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 อย่าไปล่วงล้าอธิปไตยซึ่งกันและกันอย่าไปนอกใจกันให้หักกันให้มีเมตตาต่อกันก่อนจะได้เป็นสามีภรรยาก็คือคู่หัวผัวเมียก็คงจะเคยสังสมบุญบารมีม่านากันน่านต่อหน้านแล้วจึงไรไมาอยู่น้ากันอย่าไปเป็นคู่หักอย่าไปเป็นคู่แค้นคู่อาฆาตบาดหมางกันให้มีเมตตาต่อกันให้มีความหวังดีต่อกันให้เคารพสิทิ์ซึ่งกันและกันเนอ คันว่าพวกท่านทางหลายมีความหักข้อรบในสามีภรรยาในคู่ครองแล้วมีแต่ความเจริญอันนี้ก็คือทิดเบื้องหลังคิดเบื้องขวาคูบาอาจารย์พวกเฮ้าเกิดมาต้องมีคู่บาอาจารย์โ่เมนติโผล่พรเล ข, ขึ้นมาเลยก็จะเฉลียวฉลาดบมเมนต์เนอเฮ้าเกิดมา ก, ก็ต้องเขาลงล้าอันดับแรกก็คือพอแม่ของเฮ้านี่แหละเป็นผู้สอนก่อนโม พ่อแม่ของเ้าเป็นผู้สอนกอนมูดแบเป็นบุพภาอาจารย์เป็นอาจารย์ของบุท ธ, ธิดาต่อมาพ่อแม่สอนหลักผนกระรงเขาโรงเรียนปถมปมัธยมปริยาตรีโทเอกจากนั้นพ่อจบหลักกนุงมาฝึกวิชาอาชีพวิชาการปลดวิชาทักลอยวิชาเย็บจักวิชาทำเอาหงอาหารมากมม่ต่อตลอดถึงวิชาสอนเรื่องพรพุทธศาสนา ให้สู้จักสินหูจักถ้มเรานี่เป็นต้นนะอันนี้กล้วนแล้วจะเป็นคู่บาอาจารย์เพราะนั้นคนเข้าต้องมีคู่บาอาจารย์เห็นคู่บาอาจารย์เข้ามาในวงสนทนาและเข้ามาในวงการให้ลุกขืนยืนหลับไปคลอยรับใช้ด้วยเสื้อฟังหรืออุปถากด้วยเรื่องศิลปะวิทยาจริงที่เขายังจะเรียนอีกโย่ให้ละเข้ารลบเพินิน อ, อันนี้คือคือนาทีของศิษย์ทั้งหลายเทศเบื้องใายมิตรสหายพวกเข้าต้องมีหมูมีเพื่อน กันบว่าบ่าบมีมูมีเพื่อนบม่มีมีบ่มีสหานี่ยการทํามาค้าขายบ่จะเล่นเด้เพิร์ลวานขึ้ั่นคารนายาณมิตรเป็นสิ่งที่จำเป็นสาคัญย่างมากจะไปาักนาฮักลังเขาให้มีสัจจะการว่าทาพมาค้ า, าขายยังกันคลื่นกั น, นวานได้จังไดขาดทุนจังใดกาไรจังไดส่งคลืนมือใดสินค้าจะตกมือใดจิตใจเงื่อนมือดใดกลายมีสัจจะโต้กันนี่แหละเกิดนะยาามิต ขันผู้ใดมีกาลย่านในมิตรที่ดีไปมาหาสู่กันมิตรความเจริญอันนี้ก็คือทิศเบื้องทรายมิตรสหายทิศเบื้องตำหนูกน่องบริวานการว่าผัวเข้ามีบริวานดีหนุกน่องดีเข้าเป็นเจ้าน่ายเขาเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาก็ต้องเบื้องบริวานของเขา้าเขาเจ็บไข่ได้ป่วยจังไดเขาขาดเหลือขาดตกยังเาขาเดือดร้อนอยังอันนี้เขาก็ต้องเบื้อง ค่นวาเฮ้าเบื้องเขาดเีเขาก็ให้ความอบอุ่นเขาค่ะทำการทํางานให้เฮ้าจ้างสุดจิตชุดใจขึ้นกันคานว่าเฮ้าไม่แต่เอารัดเอาเปรียบข่าวเขา เ, เขาจะดีเับเฮ้าใดจังใดเพราะน่นนะทิศเบื้องต่ํำลูกน้องบริว่านไข่เบื้องไบรเนอทิศเบื้องบนสมณะพราหมณ์สมณะ พ, าณะพ่างไปขึ้นนักพจน์นักบวชอย่างที่ลงพอนี่แหละบอกกาวแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนชัทนาญาติโยม อันนั่นดีอัน น, นั่นซัวอันนี้ควรบอกขรนเนอคณะทถา ญ, ญาติโยมหลูกร้านเนอให้เป็นคนดีเนออันนี้คือส ม, มณะพรามคำว่าพวกเข้าบอกเคยเขาไปหาส ม, มณะพรามบอกเคยสนทนาปาลบมีตะกูนี่กูเกงกูเกงกูเก ง, กกงเอาไปมากก็แจ้งได้ขึ้นกันเด้เพราะทิฐิมานะมันสูงขึ้นไปเรื่อยเ่ามีผู้ใดสอนเดะเพราะนั้นขอให้พวกเขาเนะคณะสถ า, า ญ, ญาติโยมในละดับทิฏฐังหก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 มีแต่ความจเจริญโดยส่วนเดียวนะในขอฝากไว้กับพี่น้องคณะ ท, ะท่าหยาด ย, ยมลูกหลานทุกขูบทุกคนเนอแล้วก็พ้องกันคนเท่าเกิดมานะพ อ, อ, อมีพระฤาษีอยู่ชั่วฝาดินสลยียตายทุกค น, นเลยเห็นบ่หลงปูสอนเนี่ยเพิ่งกิดตายฮ้องเบิงแล้วเนี่ยพวกข้าวที่มาสร้างท่าสั่งใ้กระดูกของเพลิลนนี่ชีวิตของพวกข้าวเป็นอย่งนี้ละแต่ว่าตายแล้วบ่อศูนย์เนอะนี่แหละให้ฟังเอาไว้ตันี่คำว่าตายแล้วบ่อศูนย์ตายแล้วเกิดอีก เกิดอีกคือจังไนพระพุทธเจ้าพ่อแม่กู้บาอาจารย์ลงปูลงตาเพิ่นสอนว่าร่างกายของเฮานี่มีศาสตร์ีดินน้ำลมไฟตายออกไปเผาไฟทิมอีหลีแต่ว่าจิตใจคือน้า ม, มาถ่ำหลวงนั้นนะพอตายเด้อให้ข้าวหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังว่าคันหัพวกเฮาอยากจะงูนะให้นั่งพวนหน้านั่งพวนหน้าจิตใจสงบร่วมสงบลงเป็นหนึ่งละ จะหู้จักแล้วด้วยตนเองร่างกายคือกันกับรถเดนะเี่ยนะเออแต่ว่าจิตใจคือน้ำมันถ้ำนี่ยคือกันกับข้นขับรถข้นขับรถกับรถถึงพอมันอันเดียวกันเดคนน้นเนวกันเดเออขนรถมันจะไปได้ก็ต้องอาศัยข้นขับนี่คือกันร่างกายของห้องคือกันกับรถแต่โซโฟเฟอร์นคือกันกับข้นขับรถแต่พระพุทธเจ้าเพิรนไห่ความสําคัญค้นขับรถมากกว่ามากกว่ารถ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 จะไปขับไปเหยียบไพก็ะไดเอ่อ บ, บีบแกะดาวไพลก็ไดเอ่อบีชนไปเฉียวไพลก็ไดเออลถขั้นนี้เพราะว่าโซโฟเฟอร์นี่เออโซ่เฟอร์คันนี้เป็นผูกขับรถนี่คือกันร่างกายของเข้าขึ้นใจขึ้นกันบโซฟเฟอร์ดน่นนะพี่น้องลูกหลานคณะสัทธาทยานโยมนะกันพวกเข้าอยากจะหูให้นางพ่อวานาพราะนางพาวานาพวกเขาจะหู้ได้โดยตนเอง บาฮาตายบาดิร่างกายตายได้ไปในโซเฟอร์ตายได้ไปอยู่ในพวใหญ่ได้โซเฟอร์ออกจากรถได้บาดเนี่เออโชเฟอร์ออกจากรถไปดิเห็นยังไงโชเฟอร์ออกจากรถล่ะยิไปไส่ั้นโซเฟอร์ขีดทุกขั้นโ ซ, เ ฟ, นโซเฟอร์มีแต่กินเหล่าโซเฟอร์โบเซื้อว่ามีบุญมีบาปไปตั้งหากนะโซเฟอร์แต่จะออกมาจากรถกูโอ้ยมีแต่ผ่าจำตูดเล่าไปเพราะเห็ุไดผมมีผ่าชีโนงอีกเนี่เพราะเหตุไรออเพราะผม ไ, ได้สั่งบุญสั่งกุศลไวไ้เลย เพราะนั้นพวกพุทธเจ้า พ, พยา่าจะตั้งอยู่ในความประมาทหน้าหลูกหลานหน้าตายะระพศูนย์เนี้ออกจากร่างนั่นน่ะให้สรั่งบุญสั่งกุศลไว้ให้ทําบุญทำกุศลไว้ให้ท่านรักษาศีลพาอวะหน้าไว้เน้อให้สั่งสมหาเงินไว้เน้อข้นานะว่าตัวเองกี่ข้านหาเงินนี่ยพ่อรถขั้นนี้มรสภาพแล้วนั่นตัวเองที่หาเงินใสล่ะเนี่ยสิงินไปใสไปซื้อรถขั้นอื่นอีกหล่ะมันบม่มีเงินสี่สื่อได้ พอ่อในให้เตรียมไปเนนะ่าอย่าตังอยู่ในความประมาทนะ่ให้สร้างสมคุณงามความดีไว้นะนี่แหละเพื่นสอนโซ่เฟอว น, นไปพอ่อในขอให้พวกเ ข, าขา้าคณะทัตธาญาญมลูกหลานทุกคนนะ่มือนเดกหลวงพ่อได้เบาแนวความคิดให้กับคณะทัตธาญาญมลูกหลานคู่บ่ายจานน้องนองทั้งหลายเพื่อเป็นแนวความคิดกับพวกเข้าท่านทั้งหลายในการกล่าวและการพูด สมโอธนิยกฐานในเมนี่ก็เห็นว่าสมควรกับการเวล่าด้วยอำนาจคุณภาษีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยบุญบรารมีพ่อแม่คู่บาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาโดยเฉพาะยังยิ่งหลวงปู่วงลวงปู่สอนที่อธิธษฐานเป็นอยู่ในนี่ ข, ขอให้คุ้มครองบุญบรารมีของเนคุ้มครองขอให้ลูกหลานทั้งหลาย